بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولا ع ذ ا ن إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما และจะเาล์ม ا นาและ بين นาและพาวล์าและฟีนาและมีนาชั่วีนและมาพรมะสัลลัมอาลัยคุมุรราะห์มัตุลลาอิฮุบาร์กัตุสับดาติพันไปล้วเนียได้อธิบายอายาหนึ่งร้อยสองในแง่ของความหมายทั่วทไปโดยเฉพาะความหมายที่สามารถคัดเกลา จิตใจของผู้ศรัทธาในทุกยุคทุกสมัยและนี่คือเป้าประสงค์ของทุกอายะที่ถูกประทานลงมาทุกอายะมีเสบบุญนุซูลของมันมีที่มาของมันสาเหตุหมายถึงว่าอายะนี้ถูกประทานลงมาเพาเกี่ยวกับคนคนนี้แต่เวลาขุก็จะพูดเสมอหลายบรัตุ b g ع m o m หลั่ง ل ิไม่บุพุซุสสาบบิเล่าบุพุซุสสาบบิเล่าบุพุซุสสาบบิเล่าบุพุซุสสาบบิเล่ามหมายทิเล่าบุพุซุสํานวนอล่าบุพุซุสสาบบิเล่าบสาเหตุพุซุสสาบบิเล่าบุพุซุสาบบิล่าบุพุซุสสาบบิ่าบุพุาบบิ่าบุพุสาบบ่า เอาแสดงว่าถ้าเรามองถึงสา บ, บุนนรุูเหลียงเดียวแสดงว่าอยายะนี้จะไม่สามารถขยายผลไปยังผู้ศรัทธาคนอื่นในยุคอื่นได้เลยและจะทำให้กุรอ่านเป็นอย่างที่ ท, ที่คนเขาเข้าใจกุรอ่านก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หมายถึงว่าเป็นเป็นคำพูดที่มีอายุไขพันสี่ร้อยปี มาใช้ในยุคนี้เนี่ยโอ้ไม่นะนี่สูณสงสาบานุนอันนี้บูถึงนบีนุอันนี้บูถึงยุคนุนอันนี้สมัยบรรุอิสราเอลุนก็มีและคนพวกนี้เนี่ยเวลาเวลาจะไม่เอาคุตตานะนะก็จะใช้มุกนิไอ้คุตตานั่นถูกประทานลุกนู่นนี่พันสี่ร้อยปีจะมาแชรได้ไงพอพอเขาอยากจะเอาเหตุผลจากคุตตานมาใส่ความชอบกับสิ่งที่ เขาอยากทํำเช่นรูปปั้นรูปปั้นนี่มันมีฮะดีสตัวบทหลักฐานชัดเจนว่าห้ามมุสลิมนี่ห้ามทําห้ามเอามาโชว์เอามาวางเอามาตั้งรูปปั้นรูปปั้นทั่วไปนะเขาบอกว่าทำไมอ่ะก็สมัยท่านนบีสุลมานีุรอ่านนีว่าว่าอิศนาอูนเลวมะชาอูมินเตมาซีละ อ้จีฟานิงค์คำตอบนี่ยินนี่เขายังสร้างรูปปันน้นให้ท่านนบีสุลเลมนี่ไงตรงเอากุรานมาใช้ได้แล้วใช่ไหมนี่คือโจทย์สําคัญเลยนะครับสําหรับสําหรับคนที่ศึกษากุรานเพออ่านกุรานแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทุกขยันอิเกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวกับสังคมเราเกี่ยวกับมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะศึกษากุรอ่านพร้อมเสบุญซูลแน่นอนเราจะได้เข้าใจกุรอ่านมากขึ้นเพราะถ้าเราทุรู้ที่ไปที่มาของอายะนี้มาเพราะอะไรเห็นเราก็จะเข้าใจและบางทีเนี่ยที่ไปที่มาเนี่ยมันจะจํากัดความอะไรบางอย่างที่อาจจะมองว่ามันมันกว้างมันเป็นคํากว้างอายะนึงร้อยสองอลลอฮ์พูดถึงกลุ่มที่ไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในสงครามตะโบกนี่มีหลายกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้ออกสู้รบกับท่านนาบีถูกเหมาทั้งหมดนี่นะว่ามีข้อคอรหาข้อคอรหะว่าเป็นมุนาฟิกและในส่โซตะบ้านนี่ก็ก็จะมาแบ่งแยกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยคือไม่เหมือนกันไงกลุ่มที่ไม่ได้ออกไปสู้รบเนี่ยมีหลายกลุ่มมีกลุ่มที่ ไม่ออกมาสู้เรากับท่านนบีไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างอะไรเลยแต่เขาก็มาหาท่านนบีมาอ้างเหตุผลนู่นเหตุผลนี้แล้วก็ยังจะมาสาบานกับท่านนบีสุลตานอเลอสลัมด้วยขออภัยจากท่านนบีสุลต่านอเลอสลัมด้วยนบีก็เลยให้อภัยฟังแล้วก็ไม่ลงโทษไม่เอาโทษกับเขาอันนี้กลุ่มหนึ่งพูดไปแล้ว นี่หมกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้ออกไปสูรับกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมแต่เขามาสารภาพกับท่านนบีแล้วเขายอมเขายอมรับว่าเขาทําทผิดว่าเขารู้หนาท่าที่ฟูบิซูบีมีชนกลุ่มหนึ่งชนกลุ่มอื่น ที่สารภาพความผิดของพวกเขาสารภาพความผิดที่เขาไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีสุลต่านเลยมันโดยไม่มีเหตุผลคือถ้ามีเหตุผลนี่มันก็ไม่ไม่ผิดไงมันก็ไม่ผิดเหมือนบางกลุ่มที่มาอมาอ้างเหตุผลกับท่านนบีแล้วนบีรับเหตุผลของเขาแล้วก็ให้อภัยเขาแต่นี่เขายอมรับว่เขาไม่มีเหตุผลแล้วก็ต่างจากกุมมูนอาฟิกีเนี่ยคนหนึ่งที่เขาไม่มีเหตุผลแต่มาโกหกท่านนบีอ้างเหตุผลซึ่งมันไม่เป็นจริง ่อันนี้เนี่ยเขาสารภาพสแสดงว่าเขารู้ว่าเขาไม่มีเหตุผลเขารู้ว่าเขาทำเาทผิดผิดโดยเถฒนาเอวตระโสารภาพแต่ในขณะเดียวกันโดยที่พวกเขาประกอบกรรมดีทำความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วว่าเขา้ารศีวมาบางท่านได้บอกว่างานชั่วนี่ก็คือที่ไม่ได้ไปไปสู้รบกับท่านนะพี่ แล้วก็งานแล้วก็กรรมดีหละงานดีหล่ะก็คือสารภาพอาข้อรัศย์เสอ้ทีชั่วที่ก็ทํขาทำนี่ก็คือที่ไม่ได้ไปสูร้รบกับท่นนานอบียร์งเป็นปอบใหญ่และดีล่ะสารภาพโอเคสารภาพเป็นความดีหล่ะใช่นบียังบอกเลยว่าเสียดุลิสต์ฟารนีบ่บรนทุกคนบุคลใมุสลิมเจ้านายของบรรดาสำนวนขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่นะดูอาบทหนึ่งมันยาวหน่อยแต่ในบท ดูอาศัยดูลิสิกฟอนนี่มีอะไรว่าอับูอูบิดัมบีและข้าพเจ้าขอสารภาพในบาปของข้าพเจ้าอุลามาจะบอกว่าห น, น, น, น, น, น, นึ่งในเงื่อนไขหนึ่งในเงื่อนไขของการเตาบัตรตัวสารภาพถ้าเรายังมีความคิดความเชื่อแม้แต่นี้เดียวว่าไอบาปที่เราทํานี่นะมีเหตุผลก็เขามาชวนเราไปนี่ ก็เขาให้ก็เราไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะพยายามที่จะให้ตัวเองหล่อที่สุดไม่ยอมรับไม่ยอมรับที่ตัวเองทําผิดด้วยความสมัครใจคือแน่นอนถ้าเราถูกบังคับจริงๆนะนี้เราไม่บาปแต่ประเด็นประเด็นที่กําลังพูดถึงประเด็นถึงคนนี้ก็ทําบาปโดยเจตนาไม่มีใครบังคับแต่เราก็มักจะได้ยินนึงไปทําบาปกับเขา โอ้เขาามาหลอกผมไปเียอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วนี่มีสมองแล้วแต่แต่ยังสามารถเนี่ยจูงจมูก ไ, ไปนู่นไปนี่อย่างกบบเป็ น, ป น, ปนไม่ได้กลับมาดูตัวเองสารภาพกับ Allah, อัลลอฮฺเเค่สารภาพนะนั่นนะคนั่นนะคือเก้าหน้าเลยนั่นหมายรวมว่าเราถึงจุดที่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ ต้องสารภาพการบริหารจัดการเขาบอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับในในปัญหานะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานะต้องยอมรับในปัญหาแต่ตามใดปัญหาที่เราโยนโยนมันนัน่นแหละมันน่แหละเขาอะแหละแล้วปัญหามันจะถึงจุดที่เราสามารถเริ่มต้นแก้ไขในตัวเราไหมแต่ขอตอบเมื่อมันเป็นปัญหาของคนอื่นเขาม่นจะเป็นปัญหาของเรา ลก็เลยช่นชมว่กนี้เนี่ยทกรรมดีนะกรรมดีของเขานี่อัตรฟูบิฎูบิหิมอัตระฟูเขาสารภาพสารภาพความผิดอายันนี้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับศานบรรดามุ e ัส r i n หลายท่านซาฮาบะที่ได้รายงานเหตุการณ์ต่างๆนะแล้วก็ตาบหนเขาบอกว่าอายันนี้ถูกประธานลงมาเกี่ยวกับอับดุบาบะและซาฮาบะ อีกสามท่านบางแรงงานบอกว่าอีกห้าท่านบางแรงงานบอกว่าอีกเจ็ดท่านบางแรงงานบอกว่ามากกว่านั้นแต่แกนนําในเรื่องนี้นี่ก็คืออับดุบาบะอับบบอัลอังซารีอับดุลบาบะอัลอังซารีไม่ได้ออกไปสู่รบกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอท่านนบีกลับมาแล้วสํานึกเลยสํานึกเลยว่าเออเที่ยวทํางนี่มันแย่มาก นบีปล่อยนบีนี่ออกไปสู้รบเองคนเดียวแล้วก็เรามีความสามารถไม่ออกไปเขาเขาก็เลยสารภาพกับพักพวกบกว่าที่เราทำนี่มันไม่ใช่นะเรามันบาปนะเราต้องไปขอลูกขอโทษแล้วก็ขอให้ท่านนบีให้อภัยเราเฮย้ยแล้วเรามีหน้าอะไรยังจะไปเจอไปไปเสนอหน้ากับท่านนบีบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้่งนั้นเราต้องเราต้อง ลงโทษตัวเองทอํางไงอบูลูบาบากับพรกพวกเขาที่เขาไม่ไดีออกกับท่านนาบีนะก็ไปมัดตัวมัดตัวที่เสาเสามสัสยิดเสาหนึง่งไปมัดตัวในเสานั้นแล้วบอกว่าเราจะไม่ปล่อยตัวจะไม่แกะเชือกนี่ไม่แก้เชือกนี่จนกว่านาบีเองเนี่ยมาแกะเชือกให้แล้วก็ ยืนยันยืนยันว่าให้ให้อภัยแล้วนบีเข้ามัสยิดนี่หลังจากที่กลับมาจากสงครามมานะเข้ามัสยิดเนี่ยก็เห็นมีอยู่กงค์หนึ่งเ uh พราะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะว่าเสานั้นนะ่ะมันอยู่หน้าห้องของท่านนบีสุลต่านหน้าบ้านของท่านนบีสุลต่านนบีบอกว่าอะไรเนี่ยใครเนี่ยเขาบอกว่พวกนี้ไม่ได้บอกไปสู้รบกับท่านนบีเขาเขามามัดตัวเองเนี่ยให้ท่านนบี แกะเชื่อให้เขาให้อภัยเขาเขาบอกว่าในเมื่อเขามัดตัวแล้วข้าพเจ้าจะไม่แกะเชื่อให้เขาจนกว่าอัลลอ์จะเตาบัดตัวให้เขาหมายถึงว่าจะจะยกโทษให้เขาและอนุญาตให้ฉันไปแกะเชื้อไงบางรายงานบอกว่าอบูุูบาบานี่มัดตัวแล้วก็บนนัซรบนบานว่าจะไม่กิน จะไม่ดื่มอะไรจนกว่าน บ, บีจะให้อภัยอยู่เป็นอย่างนั้นเด็ดจ็ดวันจนเป็นลมไม่กินไม่ดื่มนบีกขบอกว่าให้ก็กินเปลอกกินเปอแต่ก็ยังไม่ไม่ปล่อยตัวยังไม่ยังไม่แกะเชือกให้ยังไม่ถอดเชือกใหมัดตัวเลยนะไม่ละหมาดกันนะละหมาดสิภรรยบบาบูรุบะบาแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็มาช่วงเวลาละหมานี่ก็จะมาแกะเชือกให้ ไปละมาไปอาบนะ้ำละหมาดละหมาดกับท่านอบีเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมามามัดเมีย จ, จะมามัดให้อันนี้มันเป็นสัญญาณสัญญาณว่าคือซอฮาบะตะก่อนนุ่นนะ่ะในเรื่องแก้ไขปัญหาส่วนตัวนี่เขามีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกครอบครัวมันไม่ได้เป็นปัญหาของเมียสิเมียไม่ได้ทำบาปแต่ที่ทำบาปนี่คือผัวแต่ พรรยาเนี่มีมีความสำนึกร่วมเห็นด้วยที่สามีจะต้องลงทุนแบบนี้เพราะเพราะีดทำพีดก็เลยต้องต้องให้ความร่วมมือในการในการหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของมึงมึงก็ไปมัดตัวเองสิไม่ใช่เรื่องของกูสถทีมึงทำบาปไปเองแล้วมึงก็ไปมึงก็องนี่นี่นี่ให้เห็นนะ อย่ามองแคเห็นภาพนะนะว่าคนหนึ่งมัดตัวแล้วก็เมีย จ, จะมาทุกเวลาละหมานนี่ก็มาทำเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเขาเขามีเขามีามสมาชิกเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนที่เข้มแข็งจะได้เห็นภาพนะมาดูเ <c oughs> สาที่อบูลบาบะมัดตัวนี่อยู่ตรงไหนนี่มัสิินาบีนะใครเคยไปมาดินนะบ้าง อา่าใครเคยไปเที่ยวโยุโรปบ้างไม่มีเหมือนกันนะดีแล้วแหละแต่ถ้าไปลอนดอนแล้วยังไม่ไปมา ด, ดิน่านี่อย่าให้อย่าให้ผมเห็นหน้าเลยนะอิสตินบีอา้าวอันนี้ข้างล่างตรงนี้ก็คือกูโบของนบีนี่จะมองจากข้างบนนจะได้เห็นภาพนะสมัยนบีเนี่ยไม่มีนะ่สาวนี่ไม่มีสาวซานเนี่ยไม่มี อโดมนี่ไม่มีพวกโดมเล็กๆนี่ก็ไม่มีสมัยท่านนบีนี่ก็นี่แหละนี่แหละมาซีดของท่านนบีสมัยท่านนบีนี่ตรงเนี้ยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อัมาลุนุนขตอบนี่ขยายไปไอโดมเล็กๆอหญ่ๆนี้ไม่มีเลยนะแต่ไอโดมเล็กๆเนี่ยโดมเล็กๆใหญ่ๆนี่นะเนี่ยอาคารเนี่ยสมัยสุลต่านอับดุลมจิดอัลกุสมานี่สมัยอันนจักอุตุมานมีอายุประมาณนวยกว่าพีละ กระโดมนี่อายุประมาณแปดร้อยกว่าปีละสมัยสุลต่านกอลาวูลอาณาจักรมามาลิกที่ยิบอันนี้จะข้างบนนะแล้วกระโดมนี่ขนาดกระโดมเนี่ยก็ยทําไปแล้วเนี่ยเพราะเพราะแต่ละโดมเนี่ยมันก็จะมีเสาที่รองรับมันแต่ตอนที่สมัยอาณาจักรอุตมันเนี่ยเขามาสร้างเนี่ยเขาให้วิศวะกรที่ออกแบบอาคารที่ต้องมีเสาเนี่ย เขาบอกว่าช่วงมสัสยิดของนบีนี่นะมันมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเสาสมัยท่านนาบีเสามสัสยิดสมัยท่านนาบีฉะนั้นจะต้องมีเสาต้องรักษาอนุรักษ์เสาทุกต้นสมัยท่านนาบีเนี่ยให้มาทําเสาของปัจจุบันนี้นในตําแหน่งเดียวกันในดิความความที่เข้าอนุรักษ์เขาไม่ได้รักตัวอาคารสมัยท่านนาบีเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอนุรักษ์ตําแหน่ง ของแต่ละส่วนของอาคารเพราะมันมีประวัติแล้วก็จะเขียนในเสานั้นนะ่ะว่าเสาเนี่ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเสาเนี้ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เป็นผังของมสัสยิดนบีจะได้เห็นเสาต่างๆที่มีเต่นี่เสาบางอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีประวัติแต่อันนี้เสาที่มันมีประวัติมากกว่าเ น, นี่เขาก็เ น, น้นเน้นเสาที่มีประวัติเสาเนี้ยเขาเรียกว่าอัลอุสตัวานา่ตุลอุสตัวานะนี่แปลว่าเสา الم ักลัะมักลักะเรือ بة, ่องมัตยบะเอวสาวที่มีน้ําหอมหรือที่มีกลิ่นหอมเสาหนีเนี่ยเขาจะเอาน้ําหอมมาแขวนแขวนที่เสานั้น่ะหรือบางคนก็จะมาเอาน้ําหอมนี่มาทาเพราะท่านนาบีนั่งที่นั่นเพราะอะไรเพราะนี่คือไม่ครอบตําแหน่งที่ท่านนาบีละหมาดอยู่ตรงนี้แท่านนบีจะนั่งที่นั่นนั่งตรงนี้อิสตัวน่ะที่สื้รี อันนี้ตอนนบีอะติกับนี่เขจะเสืเรบวาเตียงก็จะมีเตียงท่านนบีก็จะมานอนที่นี่ตอนอติกบอิสตวนตุลมฮรสรอัลฮรสบ้านนบีอยู่ตรงนี้เีนี่บ้านนบีนบีฝ้ในบ้านเอิสตวนัุลฮรสนี่กายามยามที่จะเฝ้านบีพะนบีเนี่ยตั้งแต่มาดนนี่สฮาบานี่จะตรเวนเฝ้าท่านนบีเฝ้าต้องมีคนเฝ้าตลอดตลอดสชั่วโมงเลย แล้วก็ตะเวนกันนะมีอ علي بن أبي طالب มี س ع ิน ن م ع า ز มี سعد ب บ ع นอ د ا م ซาบะลหลคนนี้ก็จะตัวอืนมาเฝ้าจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอะยาที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ย่าซิม م ุคะมินะนัสแล้วเราจะทรงปกป้องคุ้มครองท่านจากทุกภัยต่างๆจากบรรดามนุษย์นบีก็เลยออกจากประตูแล้วก็สั่งให้ คนที่มาตเวินเฝ้าท่านนบีไห้กับบ้านซะพรอัลลอฮ์จะคุ้มพองท่านนบีก็เลยไม่มีไม่มีไม่มียามที่จะเฝ้านบีตลอดเวลาอันนี้เนี่ยอัสตวนัตุลูฟุดสาอัลูฟูดฟูดคือแขกเวลามีแขกเผาจะข้ามสมุทรอาหรับนี่จะมาบายานนบีมาเยี่ยมนบีเนี่ยนบีก็จะมานั่งตรงนี้ตอนรับแขก อันนี้อุสตัวนาหอิชเหตะนี่ผมลืมละเตรียมมาละข้อลืมไปละนี่ว่าช่ประเดนประเด็นของเรานี่อันนี้นี่คนรกอุสตันตุตอบสาวแห่งตอบหรืออุสตนตอบูลูบาบะมีสาวเดียวที่มีชื่อซาบะคนหนึ่งอสตนเป็นชื่อของอบูลูบาบะลเพราะอบูอบูลบาบะนี่มามัดตัวในสาวนี้ และกุอสตัวนะติดเต้าบนีเพราะอัลลอฮฺได้อนุมาตท่านนบีไปแกะเชือกให้นี่เพื่อประกาศว่าได้รับเต้าบัดจากอบูบูลอบูลูบะบาแล้วนี่คือเราด้วยก็คือระหว่างมินบัลก่อนมินบัลของท่านนบีนี่อยู่ตรงนี้นะและนี่กุบงท่านนบีอยู่ตรงนี้เนี่ยบรรดาเสานี่มันจะอยู่ตรงนี้ส่วนเสาเต้าบ้าหรืออบูลุบาบานี่อยู่ตรงนี้นี่ นี zoning, right in, right, ่กูบอกของท่านนบีด <c oughs> ้านหลัง <h> ด <Maur intentions> ้านหน้านี่ที่เราไปสลามนบีจากด้านหน้านะด้านนู้นอ่ะอันนี้ด้านข้างๆนี่คืออุสตวนัาบุตเตวแล้วเขาเขียนไว้เลยในตั้งแต่สมัยเนี่ยนะสมัยอาณาจักรออตมันนี่ประมาณร้0ยกว่าบ200ปีแล้วนเนี่ยเขาเขียนตรงเนี้ยฮาดิฮีนี่อุสตวานัอบีลบาบะชื่อเลยนะให้ก็รู้ว่นี่มีประโยชน์อะไรไหม ฝากด้วยนักวิชาการเวลาไปเราด้านี้มีเรื่องเยอะนี่ให้เล่าเลยไปแล้วก็มันจะเห็นบรรยากาศเรื่องนิ่โอ้โหนี่แค่มานั่งตรงนี้ในเราด้วยอ้โหมามัดตัวตรงนี้แล้วก็เราก็เราก็อัญเชนิญหรือรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆอ๋อเนี่ยมันมันเหมือนอะไรเหมือนเหตุเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นตอนนี้แล้วแล้วเรากำลังนึกนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าตัวออร่าฟตัวออร่ฟุหมายถึงมีชายาอีกชื่อหนึ่ง สาวเนี่ยบิดเตาบะเรียกว่าเสาเตาบะเหมือนกันมาตัวตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมแกะตัวจนกระทั่งมีวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งเป็นวันคิวของท่านนบีอยู่บ้านอุมมุสลามะท่านนบีก็หัวเราะอุมมุสลามะก็ถามว่าหัวเราอะไรนบีก็บอกดีใจเพราะอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วการอนุมัต ต้าบาตัวให้อบูลูบาบะอุมุสลามาก็เลยบอกว่าท่านจะไปแจ้งอะไรนะบอกว่าเธอไปแจ้งก่อนอุมุสลามาก็เลยไปแจ้งอับบูลูบาบะเราตอบรับแล้วแต่ว่าของท่านแล้วท่านนาบีหลังจากนั้นก็เดินไปถอดเชือกให้เชือกให้อบูลูบาบะก็เลยบอกโอ้ท่านนาบีข้าพเจ้านี่ทํา บาปที่น่าเกลียดเหลือเกินข้าพเจ้าขอบริจาคทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยลินละทั้งหมดเลยคือแสดงมันเป็นจจรีบนะสมัยสอว่าเลยเป็นที่เข้าใจกันว่าทาบาปแล้วต้องทําบุญทําบาปต้องทําบุญแต่ไอพระพี่ที่ทําบาปแล้วก็ น, นึกว่า เต้าบาดตัวอย่างเดียวขอรูก้กระโทษอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมาชดนะนะอันนั้นแสดงว่าเขายังยังไม่ซึ้งอะ่ะยังไม่เจ็บปวดเท่าไหร่ในการทำบาปทำบาปนี่ต้องรู้ว่าลาพังเต้าบตรตัวของเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะลบล้างบาปให้มันเกลีย้ย จึงเป็นความเข้าใจจริรรมของซาบานีวะ่ะถ้าทำบาปแล้วเนี่ยกรดบทำบุญลบๆแน่นอนต้องเรียนรู้มาจากท่านดะ บ, บิสซลล์และกุรอานเพราะกุรอานเนี่ยว่าอินละนาตยุฮิบนสซยบุญนี่มัน้างบาบุญ้างบาปน บ, บีครับผมขอ บ, บริจาคทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเลยซึ่งคุ้มสิเพระาะการที่อัลลอสุฮานาอัลลอฮ รับเท ب ب ่ทาตบของอบูลูบาบานี่เท่ากับประกาศด้วยในในเวลาเดียวกันว่าอับดุไม่ใช่มุนาฟิกทั้งนี้ข้อข้อรหานี้เนี่ยข้อข้อหาที่มันติดตัวทุกคนที่ไม่ดีออกไปรบกับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมและอย่างอบูลูบาบานี่ก่อนหน้านี้เคยมีข้อข้อหาอีกอันในสุลต่นเฟลเด و َ ل َ و دَمْنَا إِيَاءَهُ ا ل ذ ي ن َ م ن و ا ل َ ت خ و ن ُ ا ل ل ه و ا ل ر َّ س و ل َ وَتَخُونُ أَمَانَتِكُمْ أَنْتُمْ دَاعِلُونَ. ٥٠. ٥١. ٥٢. ٥٣. ٥٤. ٥٥. ٥٦. ٥٧. ٥٨. ٥٩. ٦٠. ٦١. ٦٢. ٦٣. ٦٤. ٦٥. ٦٦. ٦٧. ٦٨. ٦٩. ٧٠. ٧١. ٧٢. ٧٣. ٧٤. ٧٥. ٧٦. ตอนที่สงครามอาฮซับเนี่ยสงครามสนามเพาะที่ชาวมักกานี่มาล้อมมาดินะปรากฏว่ายูเนี่ยวางแผนร่วมกับมุชลิกินของมักการในที่มาบุกมาดินาเนี่ยให้เบาแสแล้วก็ไปสอดแนมข้อมูลข่าวสารของท่านนาบีแล้วก็ผู้สถานในมาดินาส่งให้มุชลิกินซึ่งมันผิด ส่วนที่สัญญาที่ท่านนาบีทําไว้ตอนที่ท่านนาบีมามาดินา่านี่บอกว่าเราอยู่ร่วมกันนะใครมารังแกพวกคุณเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยใครมารังแกพวกเราเนี่ยพวกคุณก็ต้องมาช่วยอันนี้กลับไม่มาช่วยท่านนาบีนี่กลับไปจับมือกับศัตรูของท่านนาบีออสโลลัสก็ถือว่าได้ฉีกสัญญาที่ทําไว้กับท่านนาบีพอหลังจากมุชริกีนมกาการ์นี่ยเขาพ่ายแพ้แล้วแล้วก็กลับมกาการ์แล้วเนี่ยซาบะก็ผ่อนคลายละ นบีบอกว่าอะไรอย่าเพิ่งเรายังไม่เสร็จยกทัพไปบานูโคลาโซอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ลงโทษบานูกคลาโซที่ได้ผิดสัญญาทรอยต์ท่านนบีสั่งล้อมปอมของบานูโคลาโซและทนบีบอกว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าเอาขอให้ขอให้มีคนนึงตัดสินดีว่าเราจะเป็นยังไงชะตากรรมเราเป็นยังไงเขาก็เลยเลือกซาดิบดิโมฮาซึ่งในอดีตสมัยเจ้าเลียเนี่ย เคยเป็นพันธมิตรด้วยกันทําธุรกิจด้วยกันซีกันน่ะแต่ซาดิบนินมอฮัมหมัดเป็นสหายแล้วใช่ไพอให้ซาดอัดตัดสินซาบอัดบอกว่าที่บรร ล, ลุาศาสนาภาวะหมดเลยที่เป็นชายนี่ทั้งหมดนี่นะประหารแล้วก็ที่เหลือนี่อทรัพย์ ส, สินเนี่ยถูกยึดหมดที่เหลือนี่ที่เป็นสตรีแล้วก็เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาศาสนาอ่อนี่ขับไล่ออกจากบานีนะ จะข้าบสมุทรอาระมุดเลยอันนี้งานเดียวกับสงบรบคนนสงาร า, ามไคบรตในที่ท่านนบีขับไล่ยิวอันนี้เนยสงครามบาญกูเรโซกับสงครามไคบัตเนี่ยที่ทํำให้เนเทันยาหูทุกวันนี้เนี่ยยังเจบ็บแค้นอยู่แล้วพเขาได้ยินสงครามกุเรโซอสงครามไคบัตเนี่ยเนี่ยเขาจะเจ็บแค้นแล้วเขาไม่ลืมนะทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังถือว่ามีมรดกที่ต้อง เอาคืนในข้าบสมุดรอรับเกรดอิสราเอลนี่แผ่นดินของอิสราเอลใครจำธงอิสราเอลได้ธงอิสราเอลนี่มันจะมีเส้นสีน้ำเงินสองเส้นสเส้นด้านซ้า น, นี่คือแม่น้ำนาและก็อยู่ปริโตสที่อิรักหมายถึงว่าแผ่นดินของอิสราเอลระหว่างสองแม่น้ำนี้ แล้วก็ทางใตน้นี่ไปถึงยิเมนเนี่ยพรเขาบอกว่าแต่มาสมัยในยิเมนเนี่ยเขาก็ยังอยู่มาดีนาะอะไรนี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นของเขาหมดพอหลังจากเซาอุดิอาตัดสินแล้วนี่นบีบอกว่ า, น, วานี่คือข้อตัดสินของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาจากเบื้องบนชั้นฟ้าทั้งเจ็ดแต่นบีก็ยังไม่ได้บอกว่าบอร์นุคราเซว่าท่านนบีชะตากรรมเขาเนี่ท่านนบีจะลงโทษอย่างไงซาอุดอาร์ตอยู่ข้อทีตัดสินแล้วและนบีไม่บอก เขาก็เลยบอกว่าถ้า่งนั้นเขาปรึกษากับอบูลูบาบาทำไมเพราะอบูลูบาบาเนี่ยเขามีทรัพย์สินบางส่วนที่เคยฝากให้พวกยูนี่ทลงทุนไปทำธุรกิจกับเขาแล้วก็มีเครือญาติญาติพี่น้องลูกหลานเขาในที่ที่อยู่ในบริเวณของของหมู่บ้านของโานุกคลีวซอบูลูบาบาก็เหมือนรู้สึกสงสาร ญาติพี่น้องเข้าที่อาจจะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดพอไปถึงแล้วยูก็เลยถามอบูลูบาบะเราเป็นเพื่อนกันหนะ้าเราเคยสนิทเคยซี้กันหนะ้าสนิทสนมกันนะท่านเห็นว่ายังไงให้พวกเรานี่ยอมแพ้ไหมอบูบูลาอบูลู บ, ลบลก็เลยยักหน้าแล้วก็ทําแบบนี้เอาเอา เอานิวน้วเนียมมาชี้ที่คอก็หมายถึงว่ายอมแพ้แต่ก็ต้องโดนประหารกันทั้งหมดเท่ากับอบูลุลบาบาเอาความลับที่นาบีได้วางแผนไว้ไปบอกกับศัตรูเขาบอกว่าอบูลุลบาบาพอทําแพท้ทาแค่นี้ทํานิ้วชี้มาที่คอเขาเนี่ยเขาบอกว่าขยับเทา้าก้าวเดียวเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยตรยศ์ท่านนบีทรยศ์ท่านนบี ก็เลยออกจากป้อมเบนิโุเรโซก็ไปมัสยิดนบีแล้วก็ไปมัดตัวที่มัสยิดนบีในรายงานบอกว่าเรื่องมัดตัวนี่สองครั้งหมายถึงว่าอบูเลย์เนี่ยมัดตัวครั้งแรกเบนิโุเรโซนี่นปีประมาณปีที่เจ็ดฮิจรัสกันนะของตะบุกนี่ปีที่เก้าห่างกันประมาณสองปีสองสมปีแต่มีอีกรายงานึบอกว่า ครั้งแรกของโบนกโคเรโเนี่ยเพราะอบูลูบาบะได้ทําสิ่งที่เป็นการทรยศเนี่ยตอนนั้นนะอบูลูบะบะไม่ได้ไปมัดตัวอันนี้อะไรงานหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้มาตัวแต่ท่านนายบีสงสัยว่าทําแบบนี้เนี่ยเขาเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าก็เลย ไ, ไปถามภรรยาอบบาบูเป็นอะไรอาบูลูบาบะเป็นอะไรเขาละหมาดไหมภรล้วบอกว่าละหมาดนาบีคงไม่ติดถามว่าละหมาดที่มัสยิดพอเห็นละหมาดที่มัสยิดอยู่แล้ว ไอพวกมูนาฟิกเนี่ยเขาละหมาดที่มสยที่บ้านไม่ละหมาดก็เลยถามภรรยาเขาละหมาดไหมเขาละหมาดเขาอาบน้ําจนาบ้าไหมดูคําถามนะบีทําไมอ่ะเพราะไอคนนี่ไม่ได้ศรัทธาในอิสลามอ่ะนะไอเรื่องอาบน้ําจะนุบุ้งจะบ้าอะเรื่องอะไรจะอาบน้ําจนาบ้าพอก็อาบน้ําจนาบ้านี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครรู้หรอกนะเอาน้ำมามาเปียกผมก็อาบน้ําจะนาบ้าแล้วก็ได้ ไม่อาบน้ำจะถามภรรถ้าร่วมหลับนอนอาบน้ำจะนานบ้างถ้าาน้ำจะนานบ้าก็แสดงว่ารักษาเงื่อนไขของการทําไมมาราอย่างเคร่งครัดอาบน้ำจะนานบ้างไหมพรรยาบอกว่าอาบน้ำจะนาบนบ้านบีก็เลยสบายใจระดับหนึ่งว่าเออมุนาฟิกนี่แต่นบีไม่พอใจ <c oughs> ว่าทําไมไปทําแบบนี้ก็มี่หมายที่เอาเรื่องความลับของมุสลิมไปบอกกับศัตรูถึงขนาดที่อัลลอฮฺประธานอายะลงมานี่กล่าวหาเลยนะ เก่าว่าทางอ้อมพ่อแล้วเนี่ยห้ามโอ้ผู้สตาตั้งหลายจงอย่าทรายศอัลลอฮ์เราละสุด All ool, และอย่าทรายตอมาน่าของพวกเจ้าเอานิ้วชี้เนี่ยมาทําแบบนี้มาทําที่คอแบบเนี้โดนข้อหาว่าทรอยต์ทรอยตอัลลอฮ์ราสุดแล้วมาและไอคนที่ระดับที่เอาทหารของเขาเนี่ยมาปกป้องอยิวละ่ะนี่อย่างล่าสุดอรดา น, นี่ยิง ยิงจรวดใช่ไหมอเมริกาปกป้องยูเม็กซิฝรั่งเศสอังกฤษปกป้องยิวธรร ม, มดาช่วยมาโดยตลอดคือที่จริงเนี่ยยวเนี่ยเขาคุมรัฐบาลพวกนี้อยู่แล้วไงแต่จอแดนโจอแดนเกณฑ์ทหารอากาศหมดเลยนะมีจรวจรวมีอะไรนี่มีระบบอะไรนี่มเกณฑ์หมดเลย เขาปกป้องแผ่นดินของอิสราเอลนี่ไม่ให้เจริญ ข, ของอิสรานนี่ไปถึงครับแล้วปรรษุความสําเร็จในหลายลูกด้วยพอถูกถามว่าทําไมไปทําอย่างนี้เราก็เห็นอะไรมันบินบินบนน่านฟ้าของของเราบนน้านฟ้าของเราเราเราก็เลยสกัดไม่ใช่แค่เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่เอานิ้วชี้นี่มามาช่วยมามาบอกมามามาใ ห, ให้ข้อมูลกับยูนะัไม่ใช่แค่นี้นะ ไม่นี่ระดมระดมอาวุธระดมกำลังระดมงบประมาณเพื่อศัตรูของอิสลามที่กำลังสังหารกำลังเข็นฆ่าที่น้องของเขาแบบนี้จะเรียกว่าอะไรทรยศทรยตขนาดไหนล่ะหรือว่ามุสลิมบางคนเนี่ยเวลาเกิดอ่ะเกิดปัญหา ปัญาทีมุสลิมบางคนก็จะถูกรังแกถูกถูกรังแกในเรื่องในเรื่องถูกต้องอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ไม่เรื่องถูกต้องกับมีมุสลิมบางคนที่อาจจะไปเข้าข้างคนที่รังแกมุสลิมนั้นน่ะในเรื่องที่มันถูกต้องอ่ะมีทรยด์ไหมทรอยด์และการทรอยด์นี่มันก็มีหลายระดับเลยนะสองรื่งานนี่รื่งงานหนึ่งบอกว่าอบูลูบาบ้านี่เคยมีปัญหา ในช่วงสงครามบันูโคเรโซแล้วก็ไปมัดตัวแล้วก็ปัญหาที่สองนี่สงครามตะบุกที่มาดีออกไปร่วมกับท่านนบีแล้วก็มามัดตัวขอให้ท่านนบีแต่มีอีกแรงงานหนึ่งที่บรรดิบดีอิบนะอบีใชบ้านี่จากท่านอสุดดีท่านได้บอกว่าอบูลูบาบ้าหนี่ตอนที่ไปให้ข้อมูลกับยูที่บันูโคเรซโซนี่รู้ตัวแล้วและสํานึกแล้วแต่ยังไม่ได้มัดตัวนะ ยังไม่ได้มัดตัวแต่ท่านนาบีเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีแหละกับอบูลุบะบาถึงแม้ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นมุนาฟิกผูถามภรรยาแล้วเรื่องความลับภายในของเขาเนี่ยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่มุนาฟิกแต่ท่านนาบีไม่ค่อยอยากจะมองหน้าละอบูลูบะบาจนมาเหตุการณ์ของสงครามตะบูกเนี่ยหลังจากนั้นเพียงสองปีอบูลบูบะทำอีกก็คือไม่ได้ออกไปสู้รลกับท่านนาบี อบูลวะข่าวนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอไม่ไหวลวฉันแย่แล้วอะก่อนนานี้กับรายงานนี้ก็บอกว่าอาทิ ม, ามัดตัวนี้ครั้งเดียวไม่สองครัง้งผมไม่น้ำหนักกับทศนะนี้กับรายงานนี้มากกว่าเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อบูลวาบ้านเนี่ยเกิดข้อหาว่าทรยศอละละัลลอฮ์ละรุูลแล้วก็มัดตัวในเสาแล้วก็นบีมาแกะเชือกแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะ เกิดไอ้อออข้อข้อหาว่าเป็นมุนาฟิกที่ไม่ออกไปสู้กับท่านน บ, บีอีกไม่เพียงสองปีนะแล้วบางรายงานบอกว่าอับบูเลมไม่ซอฮาบะชาวมาดานะอังซอรีนี่เป็นชาวมาดีน่าเนี่ยอบูลูบาบาบางรายงานบอกว่าอยู่ในซอฮาบะชาวอังซอร์สองคนที่ไปสตยาบันกับท่านน บ, บีครั้งแรกก่อนที่น บ, บีอพย พ, ยพยอันนี้เขาเรียกกันอันนุกบน้กบนุกบานี่ก็คือก็คือพวกบิกบ๊ก พวกบิ๊กบที่รุนบึบุกเบิกอะชาวมาดิน่าที่ไปที่ไปมาเก่าไปธรรมัดแล้วก็ได้ยินว่ามีนบีออบอาอบแอขอเรียกนบีมาคุยหน่อยเธอวีเธออยู่นี่ไม่ได้นี่ไปมาดิน่าเลยนี่รุนบุกเบนะิกเลยเขาก็เอออยู่อยู่นี่ไม่ธรรมดาดิถือว่าคนไม่ธรรมดาเป็นไปได้อ่ะหกล้มไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีข้อเตือนแล้วจา ก, กอุษอ่านแล้วก็ มัดตัวแล้วแล้วนีบีมาแกะด้วยสองปีอ้าอีกเหรเป็นปผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับซอฮาบะแบบนี้ซึ่งมีราย ง, งานแล้วเนี่ยที่จะอธิบายนี่แสดงว่าอบูลูบะบะเนี่ยอยู่สองปีเนี่ยระหว่างความเจ็บปวดจนได้ทําบาปอีกครั้งหนึ่งที่มัได้ออกไปสู้กับท่านอบีเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้ ว, ลวก็เลยมามัดตัว มาตัวเบอกว่ามาตัวนี้หลายวันนะเจ็ดวันแรกนี่มาตัวไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยนะและนบีก็ไม่สนเพราะนาบีบอกว่าในเมื่อทําแบบดีแล้วในหลังจากสงคารามตะ บ, บูกนี่คือทุกคนเนี่ยแสดงออกมายังไงนี่นบีนบีให้อภัยหมดแหละพร้อมที่จะให้อภัยหมดแล้ว เ, เพราะตอนนั้นนะี่นบีอยู่ในสภาพที่เข้มแข็งแล้วยกทัพไปสี่หมื่นสามารถขับไล่ กองทัพของอาณาจักรโรมันสองแสนอนาณาจักรโรมันสองแสนนะรว่าน บ, บีน บ, บีมาสี่หมืน่นขบับขับดีกว่าครับดีกว่าพอตอนนั้นนะเฮรคลิสก็ยังมีชีวิตอยู่สังเฮรคลิสเนี่ยก็ยคือคนที่รับรับจดหมายจากท่านน บ, บีสุลต่านอะเลฮ์สัลลัมครั้งแรกแล้วก็อ่านจดหมายของท่านน่ยแลเฮริคลิสเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เขาบอกว่ามีความรู้ในไบเบิลเขาบอกว่าได้เนี่ยได้กินกินสำนวนนบีอยู่ในจดหมายของท่านนบี แล้วเขาบอกว่าถ้าถ้าฉันจะถ้าฉันมีโอกาสแล้วฉันจะไปขอรับใช้เขาแต่สุดท้ายเนี่ยบริวารแล้วก็องคารักของเฮรากลิสเนี่ยไม่ยอมเขาก็เลยรักษาอํานาจของเขาแล้วก็ไม่ยอมที่จะศรัทธาแต่ตัวเฮรากลิสเนี่ยรู้ว่านบีมุฮัมมัดเนีป็นนบีจริงพอรู้แล้วเนี่ยนบีนี่ไม่กี่ปีเนี่ยมีกมีกองจำนนสี่หมื่แล้ว่ะครับครับคับเพราะนบีกับสงครามตะบุกเนี่ย มีที่กาเนีก็บอกว่าหลังจากนั้นนะนะอารับทั้งหมดเลยเนี่ยรู้แล้วโอ้นบีถึงขนาดที่ไล่กองทัพโรมันยังไม่ทันจะประทะ ก, กันเนี่รู้ว่านบีไปเนี่เขาวกลัวแล้ววิว่งหนีกลับบ้านเลยนะตามที่ท่านนบีได้บอกว่านุสิรตุบริรูบีข้าเจ้าถูกสนับสนุนกัน ด, ด้วยการที่อัลลอฮ์ให้ศัตรูชันเนี่ยวาดกลัว เท่านั้นอาหรับทั่วข้ามสมุทรอาหรับนี่หลังจากนั้นนะนะนัดนบีจะไปซาตยาบันมาทำการับอิสลามกันบรรณาลเลยฉะนั้นนบีก็ไม่งงใครละสิใครจะมาอนบีครับตอนนั้นผมป่วยผมไม่เป็นไรคือไม่ได้อยู่ในสภาพที่ต้องหวงแหนคนนู้นเป็นยังใครจะเป็นยังไงก็ก็ช่างอยู่ในสภาพที่เข้มแข็งละ แล้วสหบาที่เขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองนบีก็ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยเพราะมันจะเป็นการดีสำหรับสหบาที่สารภาพความไม่เหมือนมุนาฟิกที่เขาไม่สารภาพมุนาฟิกส่วนม า, ากยก็ไม่ได้สารภาพฉันป่วยฉันไม่มีฉันกลัวฟิตแน่ฉันนะฉันกลัวร้อนร้อนสี่สิบองศา ครับสมุทรลบุรีห้าสิบกว่ อ, องศาในเมื่ีสี่สิแต่เราต้องจินตนาการสถานการณ์ที่อบูลบาบานีได้มดตัวแลวกบทนนา่านนบีสุลต่านละลอุสลัมได้พาได้เขาบอกว่าเสาต้นนี้ก็เป็นเสาเดียวนี่แหละที่ซูมามะอิบนุอัซลเป็นผู้นำเผ่าอาหรับที่มีที่มีชื่อเสียง ที่ถูกจับเป็นเชลยศึกถูกจับเป็นเชลยศึกและนบีมามัดในเสานี้เหมือนกันเสาตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นมุสลิมซูมาไม่ได้เป็นมุสลิมแต่นบีตั้งใจที่ใจก็มัดจะได้ดูว่าในชีวิตวิถีชีวิตของนบีละซอรเป็นยังไงสามวันนบีก็เอาอาหารมาห้ถึงที่เลยก็ก็ ด, ด, ดูผ่านไปแล้วสามวันนบีก็บอกว่าเอา้าปล่อยคนนี้แล้วก็มานี่ เจ้าจะเอายังไงเจ้าจะเอายังไงเอาแล้วแต่ท่านนายบีเขาบอกก็สั่งให้ปล่อยกลับบ้านซะเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นเชลยนบีทั้งทีแล้วก็เป็นศัตรูของท่านนบีทั้งทีแล้วก็มีการอภัยเฉยอลไรเงี้ยเพราะปล่อยแล้วนีก็บอกผมอิสลามอิสลามจะกลับบ้านก็กับบ้านเชิญเขาก็แอบไปไปถามซาฮาบะบอกว่าถ้าคนจะรับอิสลามต้องทาอะไรบอกว่แกไปแอบน้ําจันะบะมาแล้วก็มาบอกกับท่านนบีเขาก็เลยไปอาบน้ําจะนะร์มาแล้วก็ ผาบอกกับท่านนาบีซอลแลมอัลกาวรีฮาร์บิสลาห์มุมาบเนี่ยท่านแล้วตอนนั้นนะ่ะซูฮาอเรชในกำลังต่อต้านท่านนาบีอย่างรุนแรงสุมาห์มากเลยบอกกับท่านเลมีอะไรช่วยได้ไหมเขาบอกว่าอุเรชเนี่ยซื้ออาหารโดยเฉพาะข้าวสาลีเนี่ยจากเจ้าถ้าเจ้านี่ตัดไม่ขายก็จะเป็นการกดดันให้เขาเนี่ยได้ได้เบาอาการจะได้เบา เขาบอกว่าเม็ดเดียวมาเล็ดเดียวเข้าสาลีเนี่ยจะไม่ถึงชาวกุเรชจนกว่านาบีจะอนุมัติไปสั่งซื้อไม่มีไม่มีจะกินแล้วนะ่ะกุเรชชากุเรชก็เลยส่งตัวแทนไปหาท่านนาบีขอร้องให้ท่านนาบีบอกซูมา玛มเธอเรายังเป็นญาติพีนนนะพ่น้องกันนะไอ้ยาพี่น้องกันแต่ตอนเจอสงครามนี่ฟัดกันฆ่ากันไม่ไม่เลี้ยงเลยแต่พอหิวนิดนึงอะไรยังเป็นพี่น้องกันนะนบีนะเรายังเป็นพีนนนะนนะนพ่น้อง แต่นบีก็นบีก็สงสารก็เลยสั่งให้ซูมามมนี่ให้ให้ปล่อยอาหารนี้เขาสาวนี้ก็เหมือนกันละสาวที่ซูมามมบินะซานี่มีรายงานว่าอันเดียวกันนี่แหละสรุปแล้วบูลูบาบานี่พอได้รับตวัดได้รับแจ้งว่าอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะทําบุญบริจาคทรัพย์สิสนทั้งหมดเลยทรัพย์สิสนอบูลบก็ดอกกระชาวอนอนซอดนี่อาวุโสนะก็มีพวกนี้แหละเป็นชาวสวนไง สวนอิมพลัมมีทรัพย์ ส, สินอะไรมากมายนาบีบอกว่าไม่ต้องหนึ่งในสามก็พอหนึ่งในสามก็พอตรงนี้นี่มีประเด็นหนึ่งถ้ามีคนบนบานบนบานว่าข้าพเจ้าจะบริจาคจะยกทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหมดลิลัยตา อุละมาส่วนมากบอกว่าถ้าบนแล้วต้องก็ต้องบรงิจาคหมดหมดเลยนะบัญชีจิงบัญชีมาเนี่ยต้องอ ม, อมดนะไม่ใช่ไปซุกตรงโน้นตรงนี้นะมีใครรู้อลัลลอฮ์รู้ปปชเนี่ย จ, จะไม่รู้ อ, อลัลลอฮรู้รู้หมด น, นี่คนคนถ้า เจอคำถามแปลกๆเนอเช็คสะกาดซะกาดนี่ต้องออกหมดเลยเาตังต้องออกใช่ดิแต่นในบัญชีนี่ไม่มีประมาณนี้ต้องออกนี่นี่ต้องออกจะใช่แลวตังที่บ้านด้วยเอาที่บ้านต้องออกด้วยเหรอเอา้าแล้วเข้าใจว่าอา๋อที่ที่ออกนี่เฉพาะในบัญชีเหรอเพราะอะไรเพราะคนเรานี่ มันมันเหมือนเหมือนมันเหมือ น, ม, น, ม, อนมีความเข้าใจมันเป็นธรรมเนียมอ่ะไอ้เงินในบัญชีเนะี่ยที่เราใช้จ่ายไอ้ที่บ้านนี่แบบเราใช้ใจ่าเล่นๆเนนะี่ะเออมีอยู่ไม่กี่พันอะไรเงี้ยก็ไม่นับนะเพราะเดี๋ยวนี้สวนมาก ก, ซก็ซื้อกันซื้อกันซื้อกันทางออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ไอเ้เศษตังที่อยู่ในบ้านอันนี้ไม่ต้องนับนับหมดเลยนะนับหมดเลยไอ้ที่อยู่ใต้กระเบื้องนี่ต้องต้อ ง, องนับด้วยนะถ้ามีถ้ามี น้ำหมดเลย ก, ก็มีอะไรที่อาจจะมีความขัดแย้งเช่นเช่นเครื่องประดัดประดาทองคําอะไรนี่ที่เราใช้ต้องออกแต่ไม่ออกนี่อันนี้ ก, อนนก็อันนี้ก็ว่าตามตามความขัดแยง้งแต่ไอที่เป็นทรัพย์สินที่ต้องออกสากาดนี่หมดเลยนะทั้งหมดเลยอลัมาสุนว่าก็ต้องออกหมดเลยถ้าบนบนแล้วนี่ว่าทรัพย์สินของฉันตั้งบนนี่ฉันจะออกลิ้นไล่าตาอะไนี่เขาต้องออกหมดแต่มีทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ต้องออกทั้งหมด ทำไมอ่ะเขาบอกว่านี่ไงอบูลูบาบานี่เหมือนจะบ่นนะเหมือนจะบ่นนะว่าฉันจะออกหมดนบีบอกว่าไม่ต้องออกหนึ่งในสามก็พอออกหนึ่งในสามก็พออันนี้ก็เป็นมัลสารที่เขาขัดแย้งกันแล้วก็อันนี้มันอายะมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังเผื่อมีใครสักคนหนึ่งบ่นว่าจะบริจาคเงินทรัพย์ ส, สินของเราทั้งหมดเลยนะเผื่อเพื่อว่าอืม พอบนแล้วส่วนมากในคนที่บนแบบเนี้ยก็มักจะรู้สึกเฮงซวยภายหลังคือบนแล้วหรอซวยกูซวยอาจารย์ทำยังไงดีอ่ะก็ บ, บนไปแล้วอ่ะ <laughs> แล้ตอนบนนี่ทำไมไม่ใช้สมองนิดหนึง่งนล้วไจึงบอกไงอินเนมายุสตะคราจุบิฮิมินัลบขีลไอวิธีบนดีแขวนที่มาว่ามีเป้าหมายแฝงเนี่ย โอ้ oh Allah ถ้าฉันได้เมียคนนี้น่ยฉันได้คนนี้เป็นเมียนะหนูฉันจะทำยังไงแต่จะได้สามีคนนี้เป็นสามีนะโอ้ a l h ถ้าถ้าถ้าธุรกิจนี่เนี่ยโอ้ถ้าฉันรวยแล้วนี่หนูฉันโอ้ a l l ถ้าถ้าสอบผ่านนี่เนี่ยหนูฉันนี่มันเหมือนต่อรองต่อรองมีเงื่อนไขอันนี้เขาเรียก a l l a เขาเรียกน a t u r a a t u r a l Due, j u d g ดื้อดื้ อ, อ, อก็องก็ว่าท่าอย่างงี้และทําไม่ได้ละก็ก็ตามขอ้ขอตกลงไงตามขอ้อตกลงอันนี้ดื้อเพราะอะไรพราะว่าโครงสร้างนะสํะบเนี้ยคือไม่ตั้งใจทําบุญเป้าหมายคือต้องการต้องการได้ไอ้นี้ฉันต้องการได้ถ้าได้นะโ อ, อคุ้มดิทําบุญไปเลยแต่จะไม่ได้นะ่ะ ไม่ทำแต่นี na, ้ดันได้ดันได้พอได้แล้วนี่นะไอ้แห่งแห่งความขี้เหนียวเนี่ยมาละนบีกล่าวว่าอินนมา من البخيل نظر คี่นส่วนมากคนที่ทานี่คือคนขี้เหนียวแล้วคนที่ใจบุญทำยังไงอ่ะเขาทำน ظر ุตบบรุคือน ظر บนบานเพื่อทำบุญ บุญนะนะทำจะได้หรือไม่ได้นะี่นะทำอันเนี้ยเขาบนเพื่อทำบุญถึงแม้ว่าไม่ได้ตามที่เขาอยากได้นะแต่เขาก็ทำอยู่แล้วอันนี้เนี่ยใจบุญทำอยู่แล้วอบมูลูบาปะบอกกับท่านนาบีบอกว่านาบีเอาเลยทรัพย์สินของชันนี่เอาไปเลยนบีก็เลยบอกว่าข้าบาเจ้าไม่ได้ถูกสั่งให้เอาทรัพย์ของพวกเจ้าที่ มัดตัวที่สารภาพความผิดเนี่ยข้าพเจ้ารออนุมัติจากอัลลอฮฺให้ตัวให้รับเตาบัดตัวอย่างเดียวแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกสั่งให้เอาตังค์ด้วยยึดตังค์ด้วยลงโทษยึดตังค์ด้วยยังไม่มีคําสั่งดูนะเจ้าหน้าที่รับต้องท้องทำตามต้องทําตามตามหน้าที่เพราะเวลาไม่ทําตามหน้าที่นั้นเละตุ้มเป้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเว็บ พนันออนไลน์ปรากฏว่ามันเป็นมันเป็นอบายมุกมันเป็นอบายมุกที prophet, ่ยิ่งร้ายแรงร้ายแรงและเสียหายมากกว่ายาเสพติดอีที่จริงการพนันมันก็เสพติดเหมือนเหมือนสิ่งเสพติดทั้งหลายนี่แหละติดติดกันคนติดติดกันหรอกแล้วก็เป็นสิ่งเสพติดที่ติดกันทั้งประเทศ ติดกันทั้งประเทศแต่ไม่มีอาการติดยาแม้กระทั่งรัฐบาลก็ติดคนไทยมีกี่คนน่ยซื้อหวยทุกทุกเดือนนคนที่เสื้อทุกเดือนติดไหมได้ยินว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีหวยเหมือนบ้านเราเนี่ยเดือนละสองครั้งน ะ, ะได้ยินว่าพม่าลาวเนี่ยมีหวยทุกวันหวยออกทุกวันะ พวกทุกวันเลยเสื้อหวยทุกวันน่นลองคิดดูนี่ยิ่งยิ่งกว่าสุบูรีเนี่ยติดไหมล่ะติดดิแล้วรัฐบาลติดมาติดหวยมาติดเป็นเจ้ามือเลยรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยตัวดีเลยแล้วสุดท้ายนี่เป็นยังไงทั้งนั้นดิมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลใช่ไหมแต่ว่าอิสลามนี่มันบาปใหญ่อยู่แล้วกันว่าแต่ในศาสนาพุนี่มันผิดศีลใช่ไหมใช่ดิ แต่เป็นยังไงคือทั้งประเทศเลยแล้วเขาบอกว่าโรตารีน่นี่รายได้นี่ไปช่วยไปช่วยคนจนไปช่วยคนพิการไปช่วยคนป่วยให้ความชอบธรรมกับตัวเองในสิ่งที่มันเป็นเรื่องมันสิ่งเป็นเรื่องบาปเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ารู้ว่ามันบาปเนี่ยต้องไม่ไปยุ่งผิดกฎหมายนี่ต้องไม่ไปยุ่ง แต่นี่ถ้หาหกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้ามือในการจัดเรื่องแบบนี้เนื่องปฏิจจ์เล่าเก็บภาษีอ้าวแต่คนจะเมาแล้วขับคนจะเมาและข่มคืนคนจะเมาแล้วกับข่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเป็นความรับผิดชอบของใครอ่ะคนนี้เขาอนุมัติให้เหล้านี่มันถูกกฎหมายถูกขายเกลื่อนตามร้านสะดวกซื้ออีกเงี้ยโทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยดูนะท่านนาบี ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกสั่งให้เก็บเงินจากความผิดของพวกเจ้านี่แม้แต่น้อยอัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมาอาญาห์นี่อีกฎหมายลงมารองรับเลยนะคุฒิมินอัมวาลิฮิมสาดะกัตันตุตอฮิรุหุมวะตุซักกีฮิมบิฮะวะสลิอาไลฮิมอินนัซลัตเตคสะคันุลลัมอมุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขา เป็นทานเป็นโซนเอาอาบูลุบาบาเสนอมาแล้วเนี่ยโอจะเอาได้เอ า, เอาแล้วก็ไปเป็นทานเพื่อทําให้พวกเขาบริสุทธิ์ตุตฮิรุคุมการที่ส่วนกลางเนี่ยได้รับโซตาก็มาเนี่ยจ ะ, าาจะเป็นสกาดฟอรดูหรือจะเป็นโซตาก็สุนนาเนี่ยได้รับมานี่นะโดยปริยายเนี่ยเป็นการชําระคนที่บริสาทธิ์ตุตฮิรุคุม การที่เอามาแล้วเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเอามาแล้วนี่นะเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ตัวฮิรุกุมว่าตุจกกีฮิมบิฮาลล้างมนทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นฐานนั้นในตัวซีนเนี่ยมีส่วนตัวตัวนี่ตัดไปนะคำว่าตัวเนี่ยด้วยส่วนที่เป็นฐานนั้นนะหมายถึงว่าด้วยสะดกอกนี่นะท่านจะทำให้เขาสามารถล้างมนทินของเขาได้ يعني لك حديث اخر ايضا، مثل ص د ا ق ص د ا ت السر تطفئ غضب ر ب ا ق لب ا صدقات لب ص د ا ق التي م ا ي ك ر تطفئ دب غضبه، قام غرور ربي، قام بابو ب อันนั้มายถึงแล้วพระบุญเจ้านี่จะกรูดเรื่องอะไรเรื่องบาปใหญ่จะกรูดเรื่องบาปใหญ่จะกริว้วถ้ามีใครทําบาปใหญ่บาปเล็กอาจจะไม่ถึงขนาดกริว้วพระองค์อาจไม่พอพระไทยแต่ไม่ถึงขนาดกริว้วแต่กริว้วในองค์เล่าก็นี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของบาปใหญ่ถ้าจะหากว่าอัลลอฮ์นี่กริ้วแล้วเนี่ยหรือจะแปลเขาตบหนีไปว่าโมโห ต่เกีวนี่มันเหมาะกว่าทำให้อัลลอฮ์นี่ไม่เกีวอแสดงว่าซาดะก้อนี่สามารถล้างบนทินบาปใหญ่อันที่จะทําให้อัลลอฮ์นี่ไม่เกี่วละให้อภัยได้อ้ยานี่ตุตอฮิรูวะดูสกกีหิมเบียล้างบนทินของพวกเขาแต่บนทินตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่ในหคดีแสดงว่าซาดะก้อนี่สามารถล้างบนทินอันเป็นบาปใหญ่ได้ อุลามาได้บอกว่าสาตากอนีจะล้างบนทินที่เป็นบาปเล็กได้โดยปริยายถึงแม้ว่าไม่ได้ ต, ตระบตัวสําหรับบาปเล็กสําหรับบาปใหญ่ล่ะบาปใหญ่นี้ไม่ได้ต้อง ต, ตระบตัวด้วยหมายถึงว่าต้องบริจาคแล้วก็ต้อง ต, ตระบตัวด้วยมันจะช่วยเป็นตัวช่วยแต่มีทัศน์หนึ่งที่บอกว่าการขออภัยโทษ ต, ต่อโนนี่คืออย่างนี้ สิ่งที่จะล้างบาปเนี่ยมีการเตบัด ต, ตัว น, นี่นอนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สูงสุดที่จะล้างล้างบาปแม้ว่าจะบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือเตบัด ต, ตัวมันคือล้างเกลี้ยงเลยเพิ่มกับเตบัดนี่ทำสองอย่างด้วยนะอิสติฟ่านี่คือขออภัยโทษนอนเนาะถ้าสองอันนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยเอาแล้วแตไม่เตาบัด ต, ตัวไม่เตบัด ต, ตัวแต่ขออภัยโทษล่ะมีทัศนะหนึ่งบอกว่า มันก็ยังสามารถล้างบนทินถึงแม้ว่าใจเนี่ยยังอยากจะกลับไปทำอีกทศนะนี้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ยังเลิกบาปตัวเองยังไม่ได้ยังพอที่จะให้กำลังใจเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราต้องเตาบัดตัวอย่างเดียวเาลาถึงจะล้างมนทินของเราอะนะยุ่งนะ ยุ่งนั่นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าบาปที่ทําไปทั้งหมดนี่นะมันจะมันจะไม่ถูกลบล้างจนกว่าจะต้องเลิกทําโดยด็ดขาดโดยเด็ดขา ด, ด, ด, ด, ขาดนั่นหมายรวมว่าอะไรหมายรู้ว่าไอ้ที่เราเดินแล้วก็มองนู่นมองนี่เนี่ยไอ้ที่เรามองนูน่นมองมีไหมไอ้ที่ไอ้หนึงก็มองนู่นมองนี่มองนั่น เยอะมอืมแล้วมันบาปใช่ไหมมันบาปแล้วถูกนับใช่ไหมแล้วตลอดชีวิตเนี่ยมันจะไม่ถูกลบล้างเนไอที่เรามองไปเลยไม่ถูกลบจนกว่าจะเลิกโดยเด็ดขาดยุ่งไหมแต่เ็รื่องใหญ่นั่นนี่ทัศน์น้เป็นทัศน์อุลมาส่วนมากเนะตบัตรตัวนี่คือต้องตับัตรของเก่าจะได้ถูก ล, ล้างเกลี ان ان ่ยอีกท่าศนาหนึ่งท่าศนาส่วนน้อยนะแต่บางทีอะไรท่าศนาที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักแต่บางทีเราชอบท่าศนา this เบอกว่าแต่ยังไม่ได้เอวแต่อิศกรฟ้าขออภัยโทษขออภัยโทษหวังว่าหวังว่าอิศกรฟ้าเนี่ยมันจะล้างมนตินล้างบาถึงแม้ว่ายังไม่ได้เอวัตถ อันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าไม่รู้ไม่รู้คือหลายอย่างนี่เดี๋ยวไปวันเกียมาแหละรู้รู้ดีรู้ดีคือประเด็นประเด็นเรื่องล้างมนทินเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนเลยทำไมอะเพราะพวกเราทุกคนนี่มีมนทินไอสนาอิสลามเนี่ย แฟร์ที Indeed, ่สุดสําหรับมนุษยชาติศาสนาอื่นนี่นะมนตินตัวเองเนี่ยไม่พอนะอย่างศาสนาคิดสิเงี้ยมนตินตั้งแต่นบีอาดัมนี่เรารับรับมาด้วยนั่งแต่นบีอาดัมนี่รับมาด้วยและต้องศรัทธาในพระเยซูเนี่จะได้อย่างจริงจังนี่จะได้ลบล้างอิสลามนี่มายกเลิกความเชื่อเลิกเทอแบบนี้เวลาทีซิรัวซิรัดูฮซรอไม่มีใครจะไปแบกมนต์ทินของคนอื่นเข ตัวเองมีมนฑินเพียงพอแล้วแบกมนฑินของตัวเองแล้วก็ไปเคลียร์วันเกียมาซะอันนี้คือจึงจเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยที่เข้าใจโครงสร้างความเชื่อของอิสลามแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าทุกคนเนี่ยเราไปช่วยตัวเองมนฑินความผิดบาปของตัวเองและบาปที่เราได้ทำเนี่ยทุกคนน่นก็รู้บมลิลอินซานฮาวลันับซีบัซีโรมนุษตุกคนเนี่ยรู้รู้ตัวเองดีทําอะไรไว้สะสมอะไรไว้ ทุกคนรูลแล้ยุ่าดรซีกีร์ตนว่ลาเคบีราเราลืมอะไรไม่ลืมสมุดบันทึกการงานก็มีบันทึกหมดเลยหมดเลยแต่ก่อนนั่นต่ก่อนนั่นนเมื่อย0 3สาสิปีนะก่อนที่จะมีกล้องเ้นมีอะไรพวกนี้นะบางคนบางันทก ก็เหมือนมุสลิกินวันเกมาของอัลกิฏาบิลาญฺฺฮดิรุศฺฺกิระนโอ้สมุดบันทึกนี่ทำไมไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเลเป๊ะๆทุกอย่างนะปรากฏว่านี่เดี๋ยนี้ในในเทคโนโลยีปัจจุบันนี่มันบันทึกทุกอย่างเลยภาพอะไรที่เราถ่ายไปแล้วนี่เราลบไปแล้วนะเราลบไปแล้วจากมือถือแล้ว มันยังเก็บไว้พวกไอ้พวกเนี่ยมันยังเก็บไว้เราเข้าไปในเว็บไหนเราไปดูแอ ป, ปไหนเราไปเข้าไปดูไปคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์เราเข้าไปดูคลิปนี้นี่สามวินาทีเขาบอกเดี๋ยวนะว่าเองเข้าไปดูแค่สามวินาทีนะั้นแล้วเขาออกไปเนี่บันทึกหมดเลยโอจะขนาดมนุษย์ด้วยกันนี่นะยังบันทึกกันขนาดนี้เนี่ยแล้วพระเจ้าจะทําไม่ได้ะอดะไม่มี นึกน้อยเล็กหรือใหญ่นี่นะบันทึกหมดเลยเป็นภารกิจของผู้สแตนทุกคนเลยเนะี่ยแต่ถ้ากูสมุดบันทึกนี่มีระบุทุกอย่างเลยนะเราเนี่ยก็จะกังวลเอสมมุติว่าเราเคยถ่ายรูปเราเคยมีอะไรความลับในมือถือแล้วก็ไปอยู่ในในเมมโมรี่ของของส่วนกลางแล้วก็มีคนสามารถเข้าไปแฮกแล้วก็ไปเอาอยู่เราก็ตนะ้กั ง, ง, งวลดิ หรือคนเราเคยส่งอะไรความลับไปเขาแล้วก็อยู่ที่เขาแล้วก็สวยเลยถ้าเข้าไปส่งให้คนอื่นแล้ก็ยุ่งเลยสิและนี่เป็นความลับที่อัลลอฮฺสุบฮฺไวน์ะราไดรู้รู้ว่าเราได้ทําไว้ทั้งหมดเลยผู้ศรัทธาเนี่ยต้องมองเรื่องนี้เนี่ยในหลายด้านด้านหนึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายสําหรับผู้ศรัทธาที่มีมนทิน แล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รู้เพราะเราก็ต้องไปพบกับพระพักตร์อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى แล้วเราต้องไปสารภาพต่ออัลลอฮฺและแน่นอนผู้ศรัทธาทุกคนที่มีความละอายต่ออัลลอฮฺนี่ ก, ก็ก็จะต้องก็จะต้องชี้แจงอธิบายแต่ชี้แจงอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นวินาทีที่มันยากลําบากมากสําหรับผู้ศรัทธาในวันเกี่ยมาเราต้องหนักใจว่ามณทินเนี่ย ในสมุดการงานเนี่ยเพราะในบันทึกของอิหมัมบุคอารีท่านนบีสุลต่านสันแรมเปรียบเทียบมนทินเนี่ยเป็นจุดดําและหัวใจของเราเนี่ยเป็นแผ่นสีขาวถ้าเราได้ทํามนทินนี่มันก็จะมีจุดดําอยู่ในหัวหัวใจของเราและยิ่งทํามนทินไปเรื่อย นบิว่าจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อสีดำทั้งหมดเลยอะสวดมุดบา ด, ดันสีดำนักเกลียด ก, กัรกู้ซิมัจเคียเปรียบหัวใจตอนนั้นนะ่ะตอนที่มันเต็มไปด้วยมุนทินนะ่ะนะเปรียบเสมือนขันน้ำที่มันวางควา่าขันน้ำที่วางควา่านี่แสดงว่าไม่มีโอกาสที่จะบรรถุนน้ำได้นะครับถ้าน้าน้านี่เปรียบ หิดา y ะแล้วก็ความดีพอน้ำนี่มันลง ม, มีกุตอานมาหะดิสมาความดีมานี่มาดนขันความเนี่ยมีน้ำจะเหลืออยู่ไหมไ ม, ม่มันก็จะเด่นออกหัวใจที่เต็มไปด้วยมนทินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ฟังบรรยายานกุรอตานละมาดไม่เหลือไม่เหลือเพราะมนทินนี่มนทินนี่มันไล่หมดอันนี้กรณีหมายถึงว่าเขามณทินมันยังอยู่ไงทายัางไงอ่ะมันก็ต้องไล่ ไล่บนทินออกไล่บนทินออกนี่หัวใจมันก็จะไม่ดําอ่ะพอไม่ดําแล้วเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนขันที่มันหงายและ้ะและสามารถรองรับได้ทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองว่าในหัวใจนี่มีขันที่ขันน้ําที่มันคว่ําหรือไงทุกคนจะรู้รู้ยังไงฟังบรรยายฟังกุศอ่านฟังฮาริสทําความดีรู้สึกซาบซึ้ง สะท้อนในวิถีชีวิตให้ทําความดีละเว้นความชั่วอันนี้เนี่ยขันงายอยู่ขันยังไงอยู่แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าขันนี้ยิ่งมีน้ําลงมาเนีฮิดายะต่างๆลงมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอิ่มเยอะขันนี้เรารู้ว่าถ้ามันเบาเนี่ยก็แสดงว่า ม, มีน้ํานิดเดียวแต่พอมันเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกเลยจับขันนี้เราจะรู้เลยเราก็จะรู้สึกว่าหัวใจของเรานี่เออบอิ่มด้วยฮิดายะต่างๆมีปะมีกําลังน้ํำมาเราละหมาเราฟังนูน่นเรา เราอ mm ่านกุณอ่านซิกรุลล่อนี่ทั้งมดนี่มันเป็นความดีที่บรรจุบรรจุในหัวใจของเราเพียงรู้ว่าสตากอนนี่มันชําระบนทินนั่นนะโอ้ยัลละเว้นนะสดากอนสตากอนนี่อย่างที่ท่านบีได้บอกมันไม่ใช่เรื่องทานอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องสตังอย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่มีตังจะบริจาคช่วยเหลือคนอื่นพูดความดียิ้มแย้มให้เพียงทั้งหบทเนี่ยเป็นสดากอนสลามเขาช่วยเหลือเขา ทำความดีกับคนอื่นเขาเป็นศนัททั้งนั้น س ุ ح ا าอัลลอฮยังเป็นัทธาหัอักมรเป็นศรัทธาอิละฮ์อิลลัลลอฮ์เนศรัทล้างมูลทินน่าจำไว้ให้ดีนะครับพี่น้องถ้ามูลทินใหญ่ถ้ามีบาปใหญ่ต้องทําบุญใหญ่ถ้ามีถ้ามีบาปใหญ่ต้องทําบุญให้มันใหญ่บุญใหญ่จะได้ล้างบาปใหญ่ แต่เราจะทําบาปใหญ่แล้วก็ทําบุญเล็กๆแล้วนึนกว่าบุญเล็กนี่ยมันจะล้างบาปใหญ่นี้อันนี้ไม่ใช่อบูลวาวาูบาบานยับาปที่เขาทานี่ใหญ่มหมใหญ่ก็เียบอกบกบับท่านในวีรบุตรบริจาคทรัพย์สิน ท, ทั้งหมดเลยซึ่งเรื่องคือในประวัติศาสตร์นี่ไม่ค่อยมีคนทำไอ้ที่บริจาคกันเป็นหมืห่นล้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ทรัพย์สิน ท, ทั้งหมดอย่าครึ่งหนึ่งครึ่งทรัพย์สินยังมียังมีอีกหลายหมื่นอีกหลายแสนลา้าน ท uh ั้งหมดเลยนะเหมือนอาวุธกระสเดียกเนี่ยบริจาคหมดเลยนะนบีไม่ได้ถามว่าหมดไหมไม่ได้ถามว่าบริจาคหมดเลยวนะนบีบอกว่าแล้วแล้วนีอะไรทิ้งไม่ให้ครอบครัวไหมหมายถึงว่านบีบอกว่าอย่างน้อยนึงก็มีมีอาหารสักมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยสักมื้อหนึ่งพอคําว่าทรัพย์สินนี่นะทรัพย์สินเนี่ยทั้งหมดเลยนี่ก็หมายถึงว่าทั้งหมดเลยนะ ในบ้านนี่สมมติโดยมีประตูอยู่ตัวหนึ่งอันนั้นคือทรัพย์สินนะไม่ใช่บอกว่าฉันจะบริจาคทรัพย์สินของฉันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแต่มีป้า น, นินอยู่สองสามตัวนี่บอกเมียว่าโดยทอดให้ฉันนะนะและอันนี้มาไม่ใช่อันนี้ทรัพย์สินด้วยนะถ้าบนว่าจะบริจาคทรัพย์สิสนทั้งหมดเลยนะมีตู้เย็นมีอะไรนี่ทั้งหมดนี่เป็นทรัพย์สินหมดเลยนบีบอกว่ามีอะไร เ, ห, ไ ห, เลบบไรหลือ เราบอกว่าทากตุเลห์มุลลาหะวะรัสูละสำหรับครอบช่้นเนี่ยเข้ามีอัลลอฮ์รัสูลก็เพียงก็หมายถึงว่าเม็ดอิมพัลลเม็ดหนึ่งก็ยังไม่มีเลยแต่สําหรับเขาแล้วนี่นะอัลลอฮ์รัสูลก็เพียงพอแล้วเราเล่าเรื่องสหายบ้านี้นะยิ่งมั่นใจว่ามันจะไม่มีในประวัติศาสตร์ใครที่จะเหมือนสหายบ้านันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยุคนั้นนต่คือยุคมันอัลลอมาเขาบอกว่ามัน มิุหลุดหลุดห ล, ลุดมายุคยุคที่ไม่น่าจะเกิดอีกแล้วแบบนี้สมควรไงยุคนั้นนะที่จะเป็นสาวกของนบีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมควรเอ็มนิมาอ็มนะอ็มอัลตูลานิมาซุนบอกว่านบีที่ประรื่ิฐที่สุดในบรรดา น, นบีนะก็สมควรที่จะมีสาวกที่ประรื่ิฐที่สุดในบรรดาม น, นุษยชาตหมสมควรดี ไอพวกเชี่ยนีบอกว่านบีเบสุดที่สุดต่ซาฮาบานีบุรีที่สุดมันมันไม่ mixed เลยนบีที่ดีที่สุดเนี่ยได้เมียที่เลวที่สุดได้สาวกที่เลวที่สุดไอคนที่กล่าวมันเนี้ก็คือคนที่เลวที่สุดนี่แหละวเชียเนี่ยวัลลหมินน์ศลตักสกนุล์ละเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิดเอาสนะกอจากพวกเขาแล้วก็ขอพร จึงเป็นสุนนะที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุสสลามทำในบันทึกของบุคฮรีเวลามีคนเอาอกาศมาให้ท่านนบีท่านนบีก็จะบอัลลอฮมมลิอลัยกขอให้อัลลอ์ลวท่านแลมีอามบุลบินบีอฟเป็น ص ท่านเอากาศมาให้ท่านนบีท่านนบีก็จะอกอัลลอฮ์มั่งศรอลลิอลอลอลลอลลออัลล ีอุลามะบา่าอกว่สละวัสละวัดต้องนบีบรรดาอุีอย่างเดียวสละวัดได้คนได้ไงแต่ศาสนาที่ถูกต้องนอุลามะส่วนาที่ถูกต้องนี่นะสละวดได้ตัวนบีเนี่ยสละวัดให้สามัญชนได้พะคาว่าสละวดนี่ก็หมายถึงว่าดุอานั่นแหละดุอาหรือคนทั่วไปสละวัได้คนทั่วไปเช่นดาวนี่จะบอกว่าสัลลัลลอฮอะลัยกะ ขออัลลอฮฺสละวาระท่านในการหมายความมเมตตท่านนั่นแหละทาได้ทาได้แต่ไม่ควรที่จะบรรจุคนทั่วไปนี่นะกับท่านนบีมถึงว่าขอสลวารบรรดานบีทั้งหลายและท่านนบีมูฮัมมัดลลัลลอฮุยะและท่านด้วยฟูเดยนกียแต่เราสามารถบอกว่าอัลลอฮมลิอลามฮัมมัดวอาลมฮัมมัด สลาวะนบีแล ok ok ok ้วก็แอลแอลี่นีวงวานของท่านนบีในทศนิยมของชาวซาลับส่วนมากเนี่ยแอลเนี่ยไม่ใช่วงวานหมายถึงลูกหลานท่านนบีอย่างเดียวออลเนี่ยตรงกับแอลนี่ก็คือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีสลวะเคยบอกว่าเครือญาติพวกนี้นี่อลพวกนี้เนี่ยไม่ใช่พวกของฉันทั้งที่เป็นญาติท่านนบีแต่แท้ แต่อลของฉันนี่นะก็หมายถึงว่าเครือญาติของฉันลูกหลานของฉันนี่ถ้าจริงนี่คือกลุ่มนี้คือเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่ได้เป็นครื อ, องท่านดบีสแสดงว่านาบีสถาปนาบรรดาผู้ศรัทธาเป็นเครือญาติของท่านดนบีซึ่งไม่แปลกเพราะนบีได้บอกว่าทายาทนาบีที่มีศิริมรุนรรนี้คือใครผู้รู้และผู้รู้นี่เป็นญาตินบีเป็นลูกหลานนาบีแต่เป็นทายาทนาบีทางความรู้เช่นเดียวกัน ผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นทายาทนบีเรื่องอะไรครับมันต้องมีเงื่อนไขไงก็จะเป็นทายาทนบีเฉยๆเนี่ยไม่ได้เอานบีไม่ได้ตามสุนนะนบีแล้วจะเป็นทายาทเนีไม่ดิปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีวัลละดีนัตะบะอุบิอัสานปฏิบัติตามนบีละซาบานนถึงจะเป็นทายาทของท่านนบีและศลวะที่เราศลาวะท่านบีแล้วก็เครือญาตินบีลูกหลานนบีวงวานนบีเนี่ยก็หมายถึงผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วย อินนัสลตกกสาตะกะสะนุลละหมเพราะแท้จริงการขอพรคือสละวาตเนี่ยของเจ้าในหนังสือนี่มีคําว่าพวกตัดไปนะของเจ้านั้นทําให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาสะ ก, ก, กันุสะกีนะความสงบสุขใจแก่พวกเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอันเดวีในเข้าบาักกี้อนเนี่ยก็เลยสังเกตว่าเอ๊มีกูโบใหม่นี่ เพิ่งสังใหม่เขาก็ใครเขาบก็่าี่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อตอนบ่ายและท่านพักผ่อนอยู่ยก็ไม่อยากจะไม่อยากจะรบกวนท่านอบอกว่าอย่าดีถ้ามีใครเสียชีวิตในบอกฉันเพราะการละหมาดฟะอินนสัสซาล่าตีสักนุลละห่มการละหมาดของฉันเนี่ยเป็นความสงบสําหรับพวกเขาชาวกูบูการดุอาของท่านนาบีเนี่ยให้คนตั้งใจแน่นอ น, นเป็นเป็นสกิดนะฉะนั้น เราต้องพยายามค้นหาดูอ่ะนบีขอดูอาอะไรบ้างให้ประชาชาติของท่านและพยายามทำในสิ่งที่ให้ดูอาของระของท่านนบีนี่นะมาโดนเรานบีขอดูอานบีขอดูอาให้ประชาชาติให้อัลลอ์ได้เมตตาประชาชาติเราก็ต้องทำในสิ่งที่ ควรแก่เป็นผู้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะถ้าได้แล้วนะถ้าเราทําที่อัลลอฮ์จะเมตตาเรานะแสดงว่าดุอามันของท่านนาบีถูกตอบรับและเราจะได้แถมอะไรอย่างหนึ่งคือความสงบความสงบสุขที่ที่อัลลอฮ์ได้บอกอินนัซาลาติกะสักานุลดุอาของเจ้าเนี่ยโอูมหัมมัดเป็นความสุขสงบสุขใจสําหรับพวกเขาอัลลอฮฺสำร่ยุนอาลิมละอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มีอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับนิติศาสตร์นิดหนึ่งอัลลอฮฺได้บอกกับท่านนบีขุสมินอัมวาลิห์มเจ้าจงเอาซาดะกทานจากอัมวาลิหิมทรัพย์สมบัติของพวกเขาทัศนะที่ถูกต้องนะครับว่าอากาศหรือซาดะกนี่ต้องออกจากทรัพย์สมบัติทุกชนิดทุกชนิด อะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรที่มันมีมูลค่านั่นแหะทรัพย์สมบัติจะเป็นพืชจะเป็นปศุสัตว์จะเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่แยกนะถ้ามันเป็นของใช้ทุกอย่างเลยจะเป็นพืชจะเป็นที่ดินจะเป็นทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามหรือเครื่องประดับปดาเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นของใช้นี่ไม่ต้องออกสกัดของใช้นะไม่ต้องออกสกัดรถรถรู่ไม่ต้องออกสกัด แต่ถ้าเกินสิ่งที่เราจะใช้เอาไปทำธุรกิจไว้สะสมอ่านักสะสมนี่ไม่ไม่ไม่ใช่นะอย่องายนะยงสุลต่านบรูไนนี่มีรถอยู่สองพันคนะันถ้าใชา้วันละคันนะ่ะนะวันละคันนะ่ะยังเหลืออีกสองพันคันนะ่ะไว้ทำอะไรออกระกานะครับมีใครรู้จักสุลต่านฮะสซันนี่ช่วยบอกด้วยนะออกระกาด้วยนะครับ อย่าถือว่าท่านเป็นรัฐบาลไม่ต้องออกสักออกนะท่านออกนะท่านเขาออเป็นมุสีมคนอื่นไนะนสสม่เกี่ยนะในของสะสมมีบางคนเยอะนะ่ยสะสมอยู่สะสมนาฬิกาอย่างเงี้ยออกนะเรือนละ 2, 000, 000, 5, 000, สองล้านห้าแสนออกนะครับอย่าบอกว่าเป็นของใช้ประชุมครมอเลเรือนหนึ่งประชุมสภายอีกเรือนหนึ่งถ้ถาเกินเกินสิ่งที่จะใช้อ่ะนะ มันต้องออกสกัดเงินนะ่ยที่เราฮะที่เราที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องออกสกัดแต่พอมันสะสมแล้วเนี่ยครบรอบปีแล้วเนี่ยมาแล้วก็ต้องครบพิกัดด้วยนะอาจถอ้องออกต้กสกัดดิไม่ออกสกัแล้วก็มีบางคนนะเข้าใจว่าทุกวันนี้ก็ยังมีมุสลิมที่เข้าใจว่าออกสกัดเฉพาะกําไรต้นทุนไม่ต้องออกไมต้องออกหมดเราขายของหรือมัขายรองเท้าขายขายรองเท้า ขายเสื้อผ้าใครต้องดูต้นทุนและกำไรทำงบดุลปลายปีแล้วก็ต้องดูอะต้นทุนมันเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วก็ออกทั้งหมดเลยอะตอนนี้ยังไม่มีเงินสดออกจากทรัพย์สินก็ได้ทรัพย์สินที่ค้าขายเนี่ยได้ขายไก่อย่างเงี้ยขายไก่ฮะจะออกตอนนี้ เ, เงินมันหมุนไม่มีเงินสดออกเป็นไก่ก็ได้คนที่ทำธุรกิจขายไก่อย่างเงี้ยออกเป็นไก่ก็ได้ ออกเป็นรองเท้าก็ได้ขายรองเท้าขายเสื้อผ้าออกเป็นเสื้อผ้าก็ได้ขายหนังสื อ, อนี้เป็นตน้นครับก็อ้ยานี้ก็มีเหลือเพียงแค่นี้นะครับพี่ต้องมีคําถามอะไรไหมครับสา ก, กัดาอะไรนะออกวัันนะครบทั้งปีไม่ได้ สกัดนี่ต้อออกทุกปีแต่ว่าเราออกนี่ก็ต้องออกในช่วงในช่วงปลายปียาวนานนี่มันมาทยอยออกทั้งปีเนี่ยไม่ได้นอกจากว่าจะออกล่วงหน้าออกล่วงหน้านี่ได้แต่ถ้ามันครบแล้วเนี่ยต้องรีบออกอันจะทุกสกัดปีที่แล้วเนี่ยปีนี้โซนว่าเนี่ยมาถึงรอมองตอนที่เราจะออกของปีก่อนใช่ไหมของของปีอดีตเนี่ยต้องออกเลยนะจะทยอยออกอีกปีห น, นึ่งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าของปีหน้าเนี่ย แล้วก็เรามีพิกัดอยู่แล้วเนี่ยแล้วทายาจะออกเนี่ยได้จนออกล่วงหน้าเนี่ย น, นี่เนี่ยได้ถ้าของของกเก่านี่ไม่ได้แต่ <ลง S 1> ของกเก่านี่ถ้าทายอลออกไม่ได้แล้วนะต้องรีบออกอแต่ถ้าแต่ถ้าล่วงหน้าเนี่ออยออกได้ทายอลออกได้แต่ต้องมีพิกัดก่อนนะหมายถึงว่าต้องมีจํานวนเงินที่ต้องออกสักกะแต่ถ้ายังไม่มีเงินออกเผื่อไว้เนะ น, นี่ยไม่ไม่ควรครับในในในยุคโซบ้าเหมือนอบบูอบบูลบาบาเนี่ย อ่านบีได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับตัวบของพอแล้วแต่ว่าในยุคของเราครับมันมีสัญญาณอะไรหรือว่ามันมีลักษณะอะไรที่บอกว่าการตัวบาของเราเนี่ยถูกตอบรับแล้วถ้าของซาบ้านี่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะเฉพาะบางคนนะนี่อย่างกลุ่มนี้ที่อย่างอบูลูบะบาแล้วก็พักพวกของเ้าที่เขามดตัวอันนี้ก็มีหลักฐานว่าอัลลอฮ์ชัดเจนแล้วก็ดูมีซาบะอีกสา ก็กลายเป็นนิม่ากแล้วก็สาววอีกสามคนวาลเซ่แลซเตเลตินคนริบุเดียจะมาที่หลังแต่สาวบ้าท่านอื่นก็มีที่ก็าจำบาปําผิดแล้วก็ไม่มีการประกาศไม่มีกุฎอ่านลงมาว่าอลลอรับหรือไม่ได้รับน่ะไม่มีอันนี้เฉพาะบางคนเท่านั้นน่ะเราก็เหมือนสาวบ้าก็เหมือนเรานี่แหละแตบาตรตัวนี้อัลลอฮฺจะรับไปรับนี่ไม่สามารถฟันธงได้แต่มันจะมีเครื่องหมายมันจะมีสัญญาณ จะมีเครื่องหมายสัญญาณอุลมามะบางท่านบอกว่าสัญญาณนี้บางทีมันก็อยู่อยู่ในตัวเราผู้ศรัทธาทุกคนเนี่อรู้รู้ตัวว่าเนี่ยตบัตตัวนี่เนี่ยอัลลอฮ์น่าจะรับหรืออยู่ที่การกระทําของเราเช่นถ้าอัลลอฮ์ทำให้ให้เรานี่ยพอตบัตตัวแล้วก็เลิกความชั่วแล้วเลิกความวแล้วตวบัตตัวแล้วใช่ปะแล้วก็เลิกเลยนี่ก็เป็นสัญญาณว่า อราตอบรับหรือท so ําความดีแล้วก็เราช่วยทําความดีเรื่อยๆแสดงว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าลราตอบรับก็ได้บางแรงงานอุลามะได้ตีความว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่าถูกตอบรับเช่นร้องไห้สำนึกและร้องไห้เสียใจอาดิสบันดุยมะฮ์มัดท่านนบีสุลลัลละซัลลัมได้บอกว่าอันนัดมูตหุบะตุน ความเสียใจคือการเตบัดคือวลามากลุ่มนี้ข้อดีความตามตรงเลยน บ, บี บ, บอกว่าความเสียใจก็คือเต้าบัหมายถึงว่าถ้าเราเสียใจนะแสดงว่าเา ม, ม, มันก็มันก็มีมีเหตุผลเพราะบางคนเนี่ยที่เตบัดตัวแล้วก็ไม่สํานึกไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าแต่ถ้าเสียใจเนี่ยนายแสดงแต่ต้องเสียใจว่า ต้องเสียใจที่มันต้องสอดความเสียต้องสอดคล้องกับบาปขนาดบาปอย่างเช่นทําสีนาอย่างเงี้ยเสียใจไห ม, มก็เสียใจเนาะเสียใจใคือทําบาปได้ความสุขมหาศาลขนาดไหนในในบาปนั้นนะ่ะก็ต้องเสียใจเท่ากับความสุขที่ได้มาจากบาปนั้นด้วยสิคือหมายถึงว่าบาปนี่มันใหญ่เสียใจมันก็ต้องใหญ่ตามไปด้วย ขนาดใหญ่มันจะได้มันจะได้สดคล้องกันไงในเรื่องดีนาเนี่ยที่อุลัยมาขา้อติความเรื่องเนี่ยเสียใจมันต้องเป็นไปตามขนาดความสุขที่ได้มาจากบาป่ออย่างเช่นคนที่กินเหล้าแล้วจะระบาด ต, ตัวเสียใจเสียใจว่าเสียใจแต่ไอตอนกินเหล้านี่ความสนุกความอริดอร่อยที่ได้มาเนี่ย มันขนาดไหนต้องเสียใจเท่ากับนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกในคุรัานสำหรับคนดีนีู่สุตเตอวานีจะมานีละยซาลูบุนยานุฮุมุลลีติบานูรีบัติมฟิคุลูบิห์มอิลลาอันตัดตาคุลบุหุมคนที่เข้าไปสร้างมัสยิดดิร์จะได้มาแข่งขันกับมัสยิดของนบีตอนนั้นนะพวกมุนาฟิกเนี่ยเขาก็มาสร้างมัสยิดนี่จะได้แข่งขันกับท่านนบีด้วยไนี้มีส์ เขาก็สนุกกันเลยเรื่องนี้หูสนุกสนานกันเลยมันสร้างมัสยิดแล้วก็แข่งขันกันนะบีละซาบะอัลลอฮ์ Allah ก็เลยบอกว่าการสร้างพอมาสิดนี่ถูกเรื่องนัะเราสั่งให้เรื่องมัสยิดไงแต่มันไม่จบเราไม่จบลเซาร์ลูบูเนียดูหมไออาคารที่เขาสร้างเป็นมัสยิดเนี่ยมันจะคงจะเป็นมลทินเป็นข้อสงสยัยเป็นข้อครหาเอเลอันตะกตจนกระทั่งหัวใจของเขาเนี่ยต้องฉีกขาด ตะตากรูบูหัวใจฉีขาดเพราะอะไรเพราะหัวใจของเขาเนี่ยตอนที่เขาสร้างมาซึ่บโด น, นเขาตื่นเต้นไงและคิดว่าจะเดาบาตตัวด้วยความเสียใจเล็กๆน้อยๆเนีย่ยไม่ได้ต้องหูต้อ ง, ต, องต้องเสียใจขนาดใหญ่เท่ากับบาตที่ได้ทําไว้อิลลัอันตะกัตตะกุูบูอุลามาก็เลยเทียบเขาบอกว่าทําไมคนที่ทําซีนานี่ถูกเขี่ยนถูกฟาดถูกบอย ร้อยทีพอเขาบอกว่าตอนที่เขาทำซีนาเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขทั้งตัวไงเขาก็เลยต้องเจ็บทั้งตัวจะได้ล้างมนทินที่มันอยู่ทั้งตัวแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ถูกลงโทษไม่ได้ถูกลงบ่อยร้อยทีการเต้าบัดตัวจากซีนาเนี่ยมันต้องเจ็บปวดเท่ากับความสุขที่ได้มาจากการทำซีนา นี่เป็นต้นเอาไปเทียบความบาปที่เราจะทำมูนทินที่เรามีจะได้ตาบัตตัวนี้นะก็ต้องเจ็บปวดเท่ากับความสุขที่เราได้มาจากบาปนั้นๆนะครับ سبحان الله وحده عشادو الله إله إله تصرفو قدوه لي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله س ل السلام عليكم ورحمة الله